สวดมนต์สวดมนต์ธรรมเช้านะตอนจบเพื่จ้งกระตั้งคำถามไม่มีใช่เพืจ้งนะคนที่ันเรียกเลี่ยงคนสวมนห์นะครับทำนะเชยนไห น, ท, นท่านทำที่สวดแห่งความทุกข์ทั้งที่นี้จะจงปงนปลาคนชติแกเราได้มนะันก็เป็นเป็นเหมือนคำถามทีท่สำคัญนะหรือ การงคำถางไว้ให้เป็นเป้าหมายในชีวิตของเราว่าอทำอย่างไรเนาะการทำที่สุดเนี่ยแงความทุกข์ทั้งที่มีจะพ้นภาระตัวชาตแกเราได้ถือว่าเป็นเป้าหมายที่สำคัญนะในชีวิตหนึ่งในชีวิตหนึ่งที่เราได้เกิดมานะในชาตินี้เรามีเป้าหมายแบบนี้ไหม ถ้าเราเริ่มมีเป้าหมายในชีวิตแบบนี้นะมันจะต่อยอดกับสิ่งที่เราทำมาทั้งชีวิตได้นะ เ, เราจะเรียนหนังสือเราจะทำอาชีพอะไรเราจะเป็นใครในสังคมอันนั้นก็เป็นไปนเถอะนะตามตามสมมติตามหน้าที่โลกต้างทำก็ทำแต่ลึกๆละในใจเรานะ ยัมีหนะ้าที่ที่สำคัญที่ทำอย่างไรก็ถึงจะแจะทําที่สุดแห่งความทุกข์ทั้งที่นี้ให้เึงปรากฏชัดแก่เราได้ในบทสวดองโยมก็ดีนะสุดท้ายที่บอกนะขอให้การปฏิบัตินั้ น, น, นๆของเราทั้งหลายจงเป็นไปด้วยการทําที่สุดแห่งความทุกข์ทั้งที่นี้เพิ่นเนี่ยมารวมเลยนะขอให้การปฏิบัติทุกอย่าง ของเราเนี่ยแหละทําเพื่อความสิ้นทุกข์ทุกอย่างนะเราจะทําอะไรนะกินดื่มพูดคิดนะีก็ทําเพื่อความสิ้นทุกขนะ์ไม่ได้ทําเพื่ออย่างอื่นแต่ทําทานก็ทําด้วยความติ้นทุกข์นะถ้าลักจริงๆไม่ทุกข์แล้วนะให้ไปก็ไม่ได้หวังอะไรละนะให้ไปแบบไม่ได้หวังผลตอบแทนะ รักษาศินก็รักษาเพือความไม่ทุกข์นะแต่ถ้ารักษากินกล้เครียดนี่ยเป็นทุกข์นี่ก็ไม่ถูกนะนะรักษาสศินเพื่อเพื่ความที่ได้ไม่ทุกข์ใจนะไม่ได้กังวลใจนะนี่คือรักษาศีลด้วยความไม่ทุกขนะ์ทําดีก็ทําด้วยความไม่ทุกข์นะแต่ท่านทาดีแล้วทําด้วยความทุกข์เนี่ยแสดว่าเราก็ว่างใจติดนะ เราจะคาดหวังคาดการผลตอบรับก็มันต้องมีอย่างที่เราทําำหรือคาดหวังว่าจะต้องมีแต่คนเข้าใจเราในเมื่อเราทําดีนะแต่โลกนี้มันก็ชัดเจนนะบางทีเราเห็นไหมใน youtube ในโพสต์อะไรต่างๆนะอันไหนมีคนไลค์มากนะก็มีคนไม่ไลค์ก็อ่านไลค์ก็เยอเหมือนกันนะก็มีเหมือนกัน แค่ที่เราที่ว่ามันน่าจะดีมีแต่คนชอบนะคนไม่ชอบก็มีนะเราจะทําดีขนาดไหนนะคนจะรักมากขนาดไหนคนไม่รักก็มีนะมีคนเข้าใจมีคนไม่เข้าใจนะเป็นธรรมดานะเราก็ทําดีไม่ใช่ทําดีแล้ว เ, เป็นทุกขนะ์ไม่ใช่เป็นทุกข์แต่ทําดีเพื่อความไม่ทุกข์นะ ทำดีแบบสบายใจที่ได้ทดําดีนะไม่ต้องไปกังวลใจว่าเขาจะว่าดีหรือเปล่ามันจะเกิดผลดีดีดีหรือเปล่าตามมานะก็ทําดีด้วยความไม่ทุกขนะ์ทำสมาธิก็เหมือนกันนะต้องทำด้วยความไม่ทุกขนะ์ถ้าทําสมาธิด้วยความทุกข์เนะี่ยมันจะเครียดนะมันจะเป็นบังคับนะบังคับตัวเอง ไปบังคับลมหายใจไปบังคับจิตไปบังคับบริกรรมต่างๆให้มันนิ่งๆให้มันไม่คิดนะเนี่ยบางทีถ้าใครทําสมาธิได้นะก็ก็เอาไว้พักผ่อนก็ได้นะะแต่มาสอนอาจจะไม่ค่อยตรงแบบหลวงพ่อเพียนหลวงพ่อเพียนทะ่านบอกไม่อยากเหยอยวนิ่งๆนะแต่เอ่เอบางที นิ่ ง, งแต่เราไม่ใช่นิ่งแบบสงบนะจำได้ว่าแบบเราก็มีสิ่งที่กำหนดไม่อจจะไม่เป็นกายเคื่นไหวข้างนอกแต่เช่นถ้าเราดูลมหายใจนะก็ดูลมหายใจแบบไม่บังคับไม่บังคับอันนี้คื อ, อ, อแต่ถ้าเมื่อไรที่เราไปบังคับนะมันก็จะเครียด เ, เครีดดับในการทาสมาธิคือทําแบบสบายสบาย ทำแบบไม่หวังผลอะไรนะความสงบทางโลกเนะี่ยคือว่าสิ่งที่มันได้ที่เป็นผลในการปฏิบัติในทางธรรมเนะี่ยบางทีมันต่างกันนะทางโลกบางทีเราเราใช้ความอยากในการเป็นเป้าหมายแล้วก็ใช้ความเพียรความพยายามเพื่อมนได้ความสำเร็จเนาะ เรอยากจะ เ, เรียนเป็นที่หนึ่งอยากจะตอบเข้าที่นั่นที่นี่ได้อยากจะเป็นคนรวยมีบ้านมีรถอเราก็ใช้ความเพียรของเราทำหลายครั้งก็ได้ส่วนใหญ่เพรา ะ, ะ ว, าว่าถ้าเราเป็นความเพียรที่เรากําหนดได้เองก็ส่วนใหญ่ ก, ก, ก็ก็จะได้อยู่แต่ในทางทำละอยากเมื่อไหร่นะไม่ได้อยากสงบไม่สงบ อันนี้คือในทางธรรมแล้วละความอยากจะได้คือแค่มสงบนเนี่ยสำคัญมาแต่ในทางโลกนะอยากแล้วก็ทําให้มันได้นะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะในทางธรรมนะพยายามมาเกินไปนะถ้าพยายามมากเกินไปความล้มเหลวอยู่ตรงนั้นแหะ เราทำพยาามกบบทีนี้ไม่ใช่ว่าไม่ให้เราทำความเพียรนะแต่มัยถึงว่าใจที่มันใจที่มันดิ้นต้นด้วยความอยากมากเกินไปแล้วก็พยายามทำให้มันได้เอาให้มันได้ไอ้คนนี้นแหละมันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมบางทีเราก็ปฏิบัติธรรมนะอย่างมันมาเองใหม่บางทีเราก็ ตอนแรกไม่มีเป้าหมายหลักว่าเราจะทําที่สุดเ่็นกองทุกทั้งสิ้นนี้ให้ปรากฏช่วแกเราได้นะบวชนก็เพียงแค่อยากจะศึกษาธรรมนะก็อยากจะทําให้มันทุกน้อยลงนะหรือว่ามันจะได้มีเครื่องมือในการใช้กับชีวิตนะถ้าออกไปทํา ง, งานก็จะได้ทํา ง, งานด้วยความไม่ไม่ทุกมากไม่เครียดมากอนะไรแบบนั้นก็คิดว่า อแค่ที่ก็พอนะการืึกษาทันมากก็เอาไปใช้ก็ที่ประจำวันจะ ไ, ได้มีความสุขมากขึ้นมีความสุขน้อยลงที่ว่าเป้าหมายตอนนั้นแต่พอปวดทับพักแล้วก็เริ่มกินเริ่มกินแล้วตองทําที่สุดที่งกองทุนทั้งสิ้นให้ประกวดได้ต้องไปพิพานนะต้องเป็นพระอาหารหนะันนั่นอะไรนั่นแต่พอเริ่มกินแล้วตอนนี้มันก็เป้าหมายมันก็ถูก แต่เราเพคิดว่าเราจะทําให้ถึงเป้าหมายเพราะมันเหมือนมันคล้ายๆว่ามันเป็นอะไรที่มันเท่อะไรที่มันมันคล้ายๆมันวิเศษมันมันเป็นอะไรที่มันคนอื่นทําได้ยากแต่ถ้าเราทําได้เราจะพิเศษเราจะวิเศษเราจะอะไรแบบนี้น้ำมันก็ไม่รู้นะตอนนั้นก็ มันก็เลยทําด้วยความเป็นอัตตา ม, มาณ น, น, นะเป็นมานะที่เราอยากจะดีกว่าคนอื่นเราอยากจะได้เนะีนะ่ยเพื่อเป็นคล้ายๆคิดว่าความเป็นนิพพานก็มันก็เป็นของของเรานะเราเป็นพระโสดาบันเราเป็นพระอราหันต์ซึ่งคนอื่นทําได้ยากเอาเนนะี่ยแต่ถ้าทําแบบนี้นะเครียดมากนะเก็บอารมณ์ ก็อยากจะได้นอยากจะได้เข้าใจธรรมะบรรลุ ธ, ธรรมปนฏะิบัติธรรมแบบจริงจังก็เข้มตัวเองนะจนจนทุกข์แบบไม่เคยมีทุกข์ขนาดนี้ทําไมชีวิตนี้มันทุกข์ขนาดนี้นะปฏิบัติธรรมแล้วก็ยิ่งตั้งใจทำยิ่งทุกข์นะก็เลยเออมาเห็นว่าที่จริง เราทุบเพราะความเพราะความอยากนะอย่างต่อมามนี้ขั้นอื่งเก็บอารมณ์นะแต่ช่วงที่เพื่อนเขารับปริญ ญ, ญาเราปริญญาจบแล้วก็ไม่รับปริญ ญ, ญาเพื่อนก็รับปริญ ญ, ญาแล้วก็บอกเพื่อนก็ส่งมาให้นานแล้วนะสิบกว่าปีก่อนถึงยี่สิบปีจำได้ไหมมีเพลงปริ ญ, ญญาใจใครเรนะื่องเพลงลูกทุ่งนะ แต่มันเป็นเรื่องความรักนะั่นนะใช่คหมปัญญาใจแต่เราต้อนาทีความว่าเนี่ยถ้าเราบรรลุธรรมเนี่ยคือเปัญยาใจของชีวิตรเราขณะที่เพื่อนเข า, ข า, ากำลังจะท้อมทําพิธีรับปัญญานะที่มหาลัยแล้วก็เก็บอารมณ์เพื่อบางวันจากบรรลุธรรมในช่วงเวลานั้นแหละจะได้ปนญยาใจอีกใบหนึ่งนะของชีวิตน ก็ ท, ทําด้วยความหวังจะเอานะหวังจะได้ไม่ได้ทําก็ก็พอมันเลยวันที่เขาลับไปแล้วมันก็ไม่ได้นะก็เสียใจทําไมเราทําเต็มที่แล้วไม่ไม่ได้สักทีนะไม่ได้สักทีก็มาเห็นใจว่ามัน ท, ทําด้วยความยา ท, ทําด้วยความยายิ่งยากมากเท่าไหร่ยิ่งยิ่งพุกมากเหมือนเดินอยู่นกันแทงแล้ว นั่นมันดื้อมันจะทะลุกาแพงไม้ได้มันจะับอบชนแล้ ว, วก็จะไปไม่ได้นะขนาดร่างกายมันก็บอกว่าเครียดนะจิตใจก็บอกว่ามันทุกข์แต่เราก็ยังจะใช้ความอยากของเราทะลุมันให้ได้แต่ถ้าเราเริ่มกลับมาเห็นวโอ้ความอยากนี่เองนะมันเป็นเหตุให้เกิดเป็นความทุกข์พอผ่อนนะไม่เอาก็ได้ ไม่เป็นก็ได้นะเรื่อสบายขึ้นนะสบายขึ้นมันก็สบายด้วยความที่เราเราผ่อนความตั้งใจความความอยากแต่เราก็เยังทำนะวันหลังพอปฏิบัติทำก็เออเห็นนะวะ่เรื่อปฏิบัติด้วยความแบบไม่ได้อยากจะเป็นอะไรหรือว่าความอยากจะเป็นมันน้อยลงเนี่ยมันสบายขึ้นแต่ถ้าทําด้วยความอยากจะเป็นอะไรเนี่ย มันทุกค์มันดนังมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีที่ทำให้เราเห็นว่าความทุกข์มันเกิดเพราะความอยากอยากมากก็ทุกข์มากอยากน้อยก็ทุกข์น้อยอยากคนรู้ธรรมก็มันทุกข์แบบคนอยากคนรู้ธรรมอยากอย่างอื่นก็ทุกข์แบบอย่างอื่นขอปฏิบัติธรรมมันก็ไม่ใช่ว่าละความอยากได้ทั้งหมดนะจากการเกณฑแบบนั้น ทีนักปฏิบัตนะิธรรมมันเป็นมนะีเป็นช่วงๆนะบางช่วงก็ทำไปเรื่อยๆบางช่วงก็เรื่องความจริงความยากความอยากก็จะจะขึ้นมาอยู่ละนะบางทีเป็นแบบนีนะบางทีฟังทำหรือว่าทําตอนเนื่อจิตมันสึกเหวีงขึ้นนะ่ะทำํำอาจจะเอาให้ได้นะใกล้แล้วใกล้แล้วอะไรนั่นนะก็จะเคตัเองขึ้นมาบางทีความอยาก การบรรลุธรรมนะมันก็มาเป็นช่วงๆแต่ถ้าเราเคยเห็นห้ตัวความอยากมาบ้านนะพอมันเะ็ขึ้นมาอีกรอบเราก็จะเราก็จะเห็นมันได้เร็วขึ้นคล้ายๆรอบความร้อนของของรถยนต์นะมันจะมีมีรอบความร้อนนะมันก็จะมีเกณฑ์ให้เราเห็นว่าอ้อมันเริ่มแดงละข้าขีดแดงละแล้วก็ก่อนลงมา แล้วก็ผ่นอนคลาความร้อนก็ลดลงเนี่ยจิตใจของเราต้องเหมือนกันนะว่าเราค่อนผ่อนความอยากออกไปใจก็เบาลงนั้นเราจะทำนะสมาธิหรือเจริญปี่ฐนานาก็แล้วแต่แต่ตัวสำคัญคืออ ย, อ, ยอย่าทำด้วยความอยากแต่ให้ทำด้วยความพอใจในการทำ ถ้าเรามีความพอใจในการธรรมนะมันก็ที่จริงมันจะสัมผัสความความมิทุกได้ที่ปัจจุบันเลยไม่ต้องรอแบบเราไม่ทุกตอนเราเป็นผ้าราหันเลยนะที่จริงการเจริญสติเนะ น, น, นี่ยมันตอนแรกต่อก็ไม่ค่อเชื่อที่หลวงพอ่อท่านพูดนะความรู้สึกตัวนะเป็นทั้งเรื่องต้น เป็นทั้งทางการเป็นทั้งที่สุดเนะี่ยบางทีเราก็เหมือนมางทีคนขายยาเนาะยาชนิดนี้แหละนสะารละพัดโลกใช่ไหมเราก็ไม่ไปเคลียร์หรอกนะยยาสารละพัดโลกเนะี่ยแต่หรู้ก็ต้องลองที่สุดดูมาว่าแต่ความรู้สึกตัวมันก็มันก็เป็นตัวตั้งต้นจริงๆนะนะถ้าเราไม่รู้สึกตัวแล้วเนะี่ย มันก็ไม่มีสิงไม่มีจามาที่ไม่มีปัญญาไม่มีสัทธาไม่มีความเพียรไม่มีไม่มีพวกนี้่อเกิดขึ้นมามันอาจจะมีแต่มีแบบมีแบบมีมิจีิณก็มีเราทำทานข้างนอกแต่ใจเราไม่เป็นทานเรายังอันนี้เหมือนบางคนโยงคนถวายทานทาไมไม่พ่านไม่ทานของเรา มันยังมีของเราอยู่ในทานที่ถวายเยอะไม่ได้ให้แบบให้จริงๆนะทำไมเรารักษาศีลยังยังแบบเคร่งเครียดเยอะเพราะฉะนั้นรักษาศีลแบบศีลพัดตรามาสศีลพัดตรามาสคือเ่าคิดว่าทําแบบนี้แล้วมันจะดีทําแบบนี้แล้วมันจะบรรลุธรรม นี่สินค้าสตว์ปลามากนั่นนะความทีดบางนคนก็เนตชิดคอ่เพื่อทําความเพียรที่ว่าถ้าเนตคิดแล้วจะบรรลุธรรมบางคนคิดว่าไม่ทานเนื้อสัตวนะ์อ่ะจะเป็นเหตุให้บรรลุธรรมะบางคนคิดว่าทานมื้อเดียวนะ่ะจะเป็นเหตุให้บรรลุธรรมไอ้คนที่คือคิดว่าทําแบบนี้แล้วจะทําให้เราดีหรือบรรลุธรรมแต่จริงมันไม่ใช่ กวจริงสัตว์บางชนิดหรือคนบางคนเขาไม่ทํามันก็ไม่มรรลุธรรมอย่างพระพุทธเจ้านะอย่าว่าแต่ไม่กินเนื้อสัตว์อดทหารก็ทำให้บรรลุธรรมใช่ไหมไม่ใช่ว่าหรือแม่แต่สัตว์ในกระดานบางชนิดเขาก็ไม่ได้กินเนื้อเขากินหญ้าแล้วกินพืชก็ไม่ใช่จะบรรลุธรรมเพราะเพราะการกินหรือเพราะการไม่นอนก็ไม่ใช่ แต่เราทําเพื่อรักกิเลสนะไม่ได้ทำเพื่อมโนธรรมนะทําเพื่อรักกิเลสนะจะทําอะไรก็ได้นะเช่นกิเลสมันอยากนอนไม่นอนเพื่อกัดนิสัยกิเลสนะมันอยากกินเนะมื่อเรากินกินอันนี้แล้วมันชอบนะกินปลาดิบแบบนี้นะี่ยคือที่กินปลาดิบนะมันชอบปลาดิบนะ ก็ละ ก, กิเลสด้วยการไม่กินมารูดซีเป็นยังไงเนี่ยอือคือกินไม่กินเพื่อลักกิเลสนะไม่ใช่เพ่กินเพื่อจะบรรลุธรรมเนี่ยคือตัดนิสัยตัวเองอะไรที่มันเป็นจิตที่เรายึดติดถือมัน่นเราละมันไปนะเราก็ละไปจิตมันก็เบานะแต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะพ้นทุกเรื่องทีเดียวหรอกแต่มันทําให้ความยึดติดถือมัน่นมันลดลงไป พอความยึดติดถือมันมันลด ล, ลงไปจิตมันมีความเบามีความสบายมากขึ้นแล้วจิตที่เบาจิตที่สบายมากขึ้นนะ่ะมันก็จะทําให้เราเรามีความห่วงน้อยลงนะความคิดมันก็จะสงบลงนะสงบล ง, นะบลงคือจิตถ้าคนปฏิบัติธรรมมากๆมันก็คือมันสงบของมันเองนะนะแต่คิดก็คิดได้นะแต่พอมัน พายวามน่าเรื่อมันขี้เกียจคิดอเป็นสภาวะขี้เกียจคิดเนี่ไม่ใช่ขี้เกียจแบบโล่งๆนะแต่มันก็คิดตรื่องมันเหนื่อยคิดตรืงมันทุกข์นะไม่คิดสบายกว่าอ่าไม่คิดไม่ทุกข์นะยนะ่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ปล่อยวางมันไม่ต้องคิดทําไมเลยเรื่องคนอื่นอะไรต่างหรือไม่แต่เรื่องเอาง่ายบางทีเรื่องสังคมเรื่องโลกบางทีก็ไม่ค่อยคิดมากเหมือนกัน อย่างมาแต่ก่อนเป็นคนกีงจางเรื่องสังคมเรื่องประเทศเรื่องโลกอเรื่องการเมืองสิ่งแวดล้อมเรื่องปัญหาอะไรต่างเรียนมาด้านนี้แล้วก็สนใจด้านนี้แต่ก่อนก็จีงจังแบบนั้นนะ่ะไปปคนท้วงไปเรียกร้องไปอะไรต่งรางแต่ก็ติดตามข่าวสารแต่ก่อนก็ก็เครียดก็เรื่องนี้นะแต่ไม่รู้เราจะทําอะไรได้ก็อะไรสักแต่เราก็จรีงจังอยากจะรู้อยากจะเข้าใจ ยากจะทำแต่พอปฏิบัติทำไปมันก็เหมือนมันก็เขาก็มองเห็นความเป็นไปของโลกนะอะ่เขารู้อยู่ว่าอะไรมันถูกหรือผิดควรไม่ควรนะแต่เราก็รู้สึกว่าเราไม่ไม่อยากจปแบกโลกนะจึงคนเครียดนะเป็นคนดีเป็นคนที่อยากจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ แต่ทำด้วยความแบกบแบบโรคแบบปัญหานะเป็นความทุกข์เป็นความเครียดนะแต่เราจะทำแบบไหนทำแบบไม่แบบนะทำแบบทาตามเหตุตามปัจจัยที่เราทำได้หรือเหตุปัจจัยที่สมควรทาเราก็ช่วยจะทำนะแต่ทำแบบไม่เป็นไรนะมันยังไม่เปลี่ยนแปลงยังไม่ดีขึ้นก็เป็นเรื่องของโลก <c oughs> เป็นเรื่องของเหตุปจนะัจจัย แต่เราอยา่าไปทุบ ก, กับมันนะแทำไมชอบคําหลวงพ่อต้องเขียนมากเขาบอกว่าให้คล้ายๆบางทีงานล้มเหลวนะแต่ตัวหลวงพ่อไม่ล้มเหลวอานะจารย์เบตาบอกาให้ทําเต็มที่แต่ไม่ีเรียดนนะั่นเป็นหลักการในการวางใจของเราได้ดีมากเพนะื่อนเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะทั้งงานตัวเราเองก็ดีหรืองานข้างนอกก็ดีนะนะ ถ้าเรามุ่งที่การทําเหตุแต่อย่าไปพลาดบวังคนมากเนี่ยเราจะทําด้วยความมีทุกข์แต่ถ้าทัศเราทําด้วยความหวังผลไม่ว่าจะเป็นอไม่ว่าจะเป็นจุดหมายของชีวิตของเราก็ดีหรือว่าหน้าที่การงาน ก, ก็ดีหรือว่าความสําเร็จหรือว่าการเปลี่ยนแปลงโลกก็ดีนะเราจะกลายเป็นคนแบบโลกต้องทําแบบทํา เท่าที่ทําได้นะแต่ก็อยากให้หน้าที่เราอย่างหนึ่งนะนอกจากการที่เราทําหน้าที่แล้วเราต้องทําใจของเรานะทําใจของเราให้มีทุกข์นั่นแหละในการทํางานนะนะเราจะเรียกว่าการทำํำนะสิ่งต่างๆก็เป็นไปเพื่อความมีทุกขนะ์เรียนรู้ธรรมะเรียนรู้เข้าใจชีวิตเข้าใจจิตใจของเรา ผ่านการใช้ชีวิตปกตินี่แหละนะเรียนรู้ว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะอะไรไนปะดลอยึดอะไรไว้มันถึงเป็นทนะุกข์เนี่ยเรียนรู้ตรงนี้แหละนะในการใช้ชีวิตปกติในการทำงานนะให้เราคอยมัน่นดูกายดูใจอยู่เสมอนะอย่าทิ้งตรงนี้นะทิ้งถ้าเราเราก็ทำงานปกติแต่เราก็ยังดูกายดูใจอยู่เสมอ ไม่ใช่ว่าจะทำให้ใจมันเฉยเฉยไม่มีอารมณ์มีอารมณ์ก็มีได้แต่ไม่รู้ทันอารมณ์มีความคิดวิชาวิจารอะไรก็แล้วแต่ก็อย่าไปห้ามมันดูมันแล้วก็อย่าเพิ่งไปเชื่อมันอย่าเพิ่งไปคอมเมนต์ตามมันอย่าเพิ่งไปพูดตามมันนะดูมันคิดดูมันรู้สึกอย่างไรนะในเรื่องนั้ น, น, นนะ ให้เป็นผู้สังเกตะสตนะิจะทําให้เราเป็นผู้สังเกตเราจะถอนออกมาจากจากเหตุการณ์นั้นะเราจะกลายเป็นผู้สังเกตถ้าเหมือนเขาแข่งกีฬากันแล้วก็ขึ้นมาดูนะบนเวทีนะหรือเขาเล่นละครแล้วก็เป็นผู้ดนะูเราไม่ได้เป็นผู้สแสดงเราไม่ได้เป็นผู้กำกับนะ ไม่ได้เป็นนักภาพแหละเราก็เป็นแค่ผู้ดูดูสิ่งที่มันแสดงให้เราเห็นสิ่งทุกอย่างแสดงให้เห็นคือมันแสดงอาการเกิดดับบังคับไม่ได้นะแสดงกากางเหมือนกันนะไม่ว่ากุศลหรืออกุศลแสดงสภาวะคือมีแต่เกิดแล้วก็ดันะบบังคับไม่ได้ทั้งนั้นะตัวหลงก็เกิดแล้วก็ดับ ตัวรู้ก็เกิดแล้วก็ดับเหมือนกันนะเราอยา่าไปคิดว่าเราจะประคองตัวรู้ให้มันอยู่นานๆนะแต่จริงตัวรู้คือตัวสภาวะที่มันเกิดดับใหม่ไปเรื่อยเรามีสติก็มีลกษณะทีลกขณะทีลกษณะไปนี่คือตัวรู้ก็อยากเปประคองนะตัวหลงก็อยากจปห้ามนะถ้าทำใจแบบนี้ได้นะ าการปฏิบัติธรรมก็ได้ยากแบบมันจะสนุกนะสนุกรู้สนุกดนะูสนุกเห็นนะจิตที่เข้าไปเต็มมันก็จะค่อยๆผอนออกมาของมันเองนะการที่เข้าไปเต็มแล้วมันเป็นทุกข์แต่พอมันเห็นแล้วมันก็ไม่ทุกข์แล้วนะมันพ้นทุกข์แล้วเนะี่ยการทําที่ตุดแห่งกองทุกข์ทั้งที่ น, นี้แล้วนกะ็ค่อยๆปรากฏนชัดแก่เรานะปราบฝนชัด ในขณะนี้แหละนะนิพพานเอาขณะนี้นะอยางนิพพานที่อนาพุตตะกาะนะนะทำะไไํำมาแล้วเนี่ยเราก็ได้นิพพานแล้วเนะี่ยให้ทานสบายใจนะไม่ยึดไม่ติดแล้วเนะนี่ยนิพพานนะนะไม่ยึดติดนนให้แต่ล้วไม่ใช่ของเราละอ่าสระแล้วเนะี่ยนะให้อภัยทานก็เบาใจสระแล้วนะถูกใจลนะไม่ทุกข์ละไม่ติดลนะเนี่ย นี่ถือให้ทานซะตรง น, นี้นะรักษากิ่นก็เออดีละที่รักษาเ อ, อไม่ไปเบียดเบี้ยนคนอื่นเนี่ยดีจะตายนะไปเคียดทำไม <c oughs> ออทําสมาธิก็ทํำเร่งๆสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้นะสงบก็รู้มันไม่สงบก็รู้มันเนี่ยถ้าใจง่ายๆอ น, น, นะจจจะมีสมาธิขึ้นมาจิตจะสงบจิตจะตั้งมั่นขึ้น จะเดินสติก็เหมือนกันก็ไม่เอาแต่สตินะอ่มันหลงเราก็รู้ว่ามันหลงก็มีก็มีสติเหมือนกันละนะไม่ใช่จะเอาแตา่จะรู้ว่าต้องเดินตลอดรู้ว่ายกมือตลอดรู้ว่าหายใจตลอดนะอย่าไปเอาแต่แบบนั้นมันจะเครียดนะแต่ที่จริงนะรู้ไปบ้านหลงไปบ้านไม่เป็นไรนะรู้กายก็รู้ไปนะ มันหลมก็รู้ทันมันบนะางคนเขียนบางที้งบอกนะมันยิ่งคิดมากเรายิ่งรู้มากนะถ้าจริงจริงนะั้นมันจะสนุกนะเห็นมันคิดมากนะไม่ใช่เราคิดมากนะ <c oughs> เห็นมันคิดมากเราก็เห็นเรื่อยๆที่มันเห็นคิดมากเนี่ยเพราะว่าเรามีสติมากนะเพราเรามีสติมากบางที่เราทำปฏิบัติเราจะเห็น เห็นความพุ้งเห็นกิเลสเห็นอัตตาตัวตนมานะทําไมมันเยอะแต่เกิน <c oughs> แต่ก่อนคิดว่าเราเป็นคนดีคนนี้ <c oughs> แต่พอความนาเรกีโนตัวอีตัวขีวอ้อิจฉาต้องมีอยู่ในนี้ตัวอยากนะไม่ใช่หยากแต่ดีอย่างเดียวนะหยากไม่ดีมันก็เอาเหมือนกันนะหยากนั่นอยากนี่นะอยากพูดอยากคิดหยาทำอยา ก, นะยากแสดงนะ หรืออะไรต่างมันก็มีนะให้เราเห็นจะเห็นเห็นธรรมะก็คือเห็นกิเลสนั่นแหละพอเห็นกิเลสมันก็ค่อยๆคขจัดที่พระอาจารย์ท่านบอกว่าการชําชระจิตให้ขาวลอกกนะ็คือตรงนี้นะคือกิเลสมันเกิดขึ้นมาสติไปเห็นมันชําระกิเลสออกไปจากจิตใจน่ะจิตมันขาวลอกตรงนั้นค่อยๆขาวตรงนั้นเพราะว่า ตัวสติมันเป็นตัวชั้นะทีเรยออกไปนั้นเราเห็นสิ่งต่างๆที่มันแสดงนั่นแหละนะเราก็ผลนะมันก็สะอาดขึ้นเรื่อยๆแล้ก็ให้เราทําความเพียรนะแต่อย่าเป็นเครียดนะแล้วก็อยากทำด้วยความหวังผลว่าจะเป็นอะไรนะจะได้อะไรนะเพราะที่จริงความ สำเร็จหรือความน้มเรลวมันก็ไม่ใช่ตัวเราทั้งนั้นแหละนะเราไม่ได้ทำเพื่อเราจะเป็นอะไรนะแต่ฝึกจิตให้เขาเรียนรู้เข้าใจเรนีนะ้แล้วจิตเข้าเป็นของเขาเองนะจิตเข้าชะตาของเขาเองจิตเขาปล่อยเขาวางของเขาเองนะตอไปมันไม่ใช่เราเป็นไม่ใช่เราทำานะมันเป็นเรื่องที่จิตมันทำของมันเองนะต่ะางๆไ้